วันที่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดท่านพระครูกลับจากงานเผาศพนางปั่นที่จังหวัดอ่างทองขณะที่รถแล่นมาตามถนนสายเอเชียใกล้ปากทางที่จะเข้าวัดพลันก็นึกได้ว่าเจ๊นวลสีกำลังป่วยหนักควรจะต้องไปเยี่ยมเยียนด้วยว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แกจะไปแล้วเห็นหนอบอกว่า แกจะไปสู่สุคติในวันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์2517เวลา4นาฬิกา10นาทีสมชายเดี๋ยวไม่ต้องเลี้ยวเข้าวัดนะฉันจะเข้าจังหวัดไปเยี่ยมเจ้นนสีเขาท่านสั่งคนขับรถป้านุสีแกไม่สบายหรือครับเป็นอะไรครับเป็นเนื้องอกในท้องเห็นว่า อีกสามวันจะทิ้งร่างต้องไปดูเขาหน่อยจะตายแล้วหรือครับเห็นอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีไม่น่าตายเลยอายุก็ยังไม่มากนิดครับดูเหมือนจะยังไม่ถึงห0สิบด้วยซ้ำจะอ้วนหรือผอมอายุน้อยหรืออายุมากเมื่อถึงคราวก็ต้องตายทั้งนั้นแหละท่านพระครูว่า แล้วมีหมครับหลวงพ่อมีประเภทที่ถึงคราวแล้วแต่ไม่ตายหรือตายทั้งที่ยังไม่ถึงคราวอะไรเทือกนี้มีหมครับนายสมชายเริ่มเล่นลิ้นรู้สึกเหงาปากมานานเพราะพอขึ้นรถท่านก็นั่งหลับตาเพิ่งจะมาเอ่ยปากพูดเมื่อตอนใกล้จะถึงทางเลี้ยวเข้าวัดพูดเพื่อจะบอกขาวว่าไม่ให้เลี้ยวเข้าวัดนั่นแหละมี ก็เธอยังไงละ่ะที่ต้องตายทั้งที่ยังไม่ถึงคราวเพราะพูดมากปากม่อมคนเล่นลิ้นถูกด่าเอาดื้อแม้เป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับหลวงพ่อที่ให้พรอผมท่านพระครูนิ่งไปสักยี่สิบนาทีเห็นจะได้ต่อเมื่อรถเลี้ยวเข้าตัวจังหวัดแล้วจึงพูดขึ้นว่าใครว่าฉันให้ผร ฉันด่าเธอตังหากละ่ะฟังไม่ออ ก, อกหรอกรืความรู้สึกช้าจังนะนายสมชายรู้สึกทึ่งที่ท่านอุตส่าห์ต่อเรื่องได้ถูกจึงว่านั่นแหละครับผมถือว่าให้พรคนโบราณเขายังสอนไว้เลยว่าผู้หญิงด่าแปลว่าผู้หญิงรักผู้หญิงให้จวักแปลว่าเขากวักมือ แล้วถ้าผู้หญิงเขาเรียกนายกระบือละ่ะก็ต้องถือว่าเป็นความสวยครับตอบโดยไม่ต้องคิดเออดีมากระวังโน่นเลี้ยวซ้ายข้างหน้าโน่นอย่าขับเลยไปละ่ะครับไม่เลยแน่ทำไมป้าเขาไม่ไปอยู่โรงพยาบาลล่ะครับหลวงพ่อลูกหลานเขาไม่พาส่งโรงพยาบาลห ร, อหรือส่งมาทุกโรงแล้วแต่หมอเขาไม่รับ บอกว่าให้กลับมาพักผ่อนที่บ้านลงเขาพูดอย่างนี้ก็แปลว่าไม่รอดแน่เอาละนั่นจอดหน้าตึกนั่นนายสมชายทําตามคำสั่งบ้านของเจโนนสีเป็นตึกแถวสามชั้นสองคูหาข้างล่างขายอาหารข้างบนเป็นที่พักอาศัยเมื่อท่านก้าวลงจากรถบรรดานหลาหลานของเจโนนสี ก็เข้ามาต้อนรับนิมนต์หลวงพ่อจ้ะแหมดีใจเหลือเกินที่อุตส่าห์มาเยี่ยมน่างสาวกิมเจิงหลานสาวคนโตของเจหนนสีพูดอย่างยินดีเจหนนสีเป็นอย่างไรบ้างท่านถามถึงคนป่วยก็ทรงทรงสุดซุดค่ะหลวงพ่อนิมนต์ข้าบนเลยค่ะอามมาอยู่ข้างบน หล่อนพูดพลางเดินนำไปที่บันไดแล้วหลีกทางให้ท่านกับลูกศิษย์ขึ้นไปก่อนท่านพระครูถอดรองเท้าแล้วจึงเดินขึ้นไปโดยมีนายสมชายเดินตามหลังนางสาวกิมเจงสั่งน้องสาวให้ชงชาขึ้นมาถวายนางเนยกำลังป้อนข้าวให้มารดาอยู่ครั้นเห็นท่านพระครูก็วางมือบอกมารดาอย่างดีใจว่า แม่หลวงพ่อท่านมาเยี่ยมแน่เจนวลนียันกายลุกขึ้นนั่งสองมือประนมแล้วกล่าวว่านิมนต์จ่าหลวงพ่อเป็นพระคุณเหลือเกินที่อุตส่าห์มาเยี่ยมเนื่องสาวกิมเจงเห็นหมดธุระแล้วจึงลงมาข้างล่างไม่ต้องลุกก็ได้เจนอนตามสบายเถอะ ไม่หรอกจ่ะฉันกลัวบาปนอนคุยกับพระกับเจ้าฉันไม่เคยทำคนป่วยว่าหน้าตาสดชื่นดีนี่นาะยังกับคนปกติยังไงอย่างนั้นหรือโยมเนยว่ายัางไงท่านถามลูกสาวเจโนนสีฉันก็ว่ายัางหลวงพ่อนั่นแหละแม่แกเป็นคนไข้ที่น่ารักมาก ไม่จู้จี้กวนใจแล้วก็ไม่เคยบ่นให้ลูกหลานฟังว่าเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนนางเนยกล่าวชมมาดาก็ฉันฝึกเรียนฝึกสติมาจากหลวงพ่อนี่จะ๊ะขืนเอะอะโวยวายก็เสียชื่อครูบาอาจารย์แย่เลยคนป่วยพูดจ้อยจ้อยจะไม่น่ารักก็เห็นจะมีเรื่องเดียวละจาล้าหลวงพ่อ เรื่องที่แกบอกว่าอีกสามวันจะตายแล้วฉันยังไม่อยากให้แกตายหลุงพ่อช่วยหน่อยสิลูกสาวเจโนนสีว่าเจ๊จะตายเมื่อไรหรือท่านถามเพื่อจะตรวจสอบว่าเจโนนสีรู้ตรงกับที่ท่านรู้หรือไม่นางเนยรู้สึกพิสวงที่คนเป็นพระกับคนเป็นแม่นั่งพูดเรื่องเป็นเรื่องตายกัน หน้าตาเฉยหล่อนได้ยินมารดาตอบท่านพระครูว่าวันอาทิตย์แรมสิบคำเดือนสามปีคานเวลาตีสี่กับสิบนาทีท่านพระครูเชื่อแล้วว่าเจโ น, นนสีได้เห็นหนอเพราะมันตรงกับที่ท่านรู้และเห็นทุกประการนางเนยขออนุญาตลุกออกไปพอดีกับลูกสาวคนรองยกถาดน้ำชาขึ้นมา หล่อนจึงบอกลูกว่ากิมหวยไปหยิบยาแก้ปวดหัวมาให้แม่สองเม็ดเอาน้ำมาด้วยใครจะกินล่ะแม่อาม่าหรือก็หมอเขาให้ยามาแล้วไงนางสาวกิมหวยออกสงสัยเ อ, อหน่าไปเอามาเถอะแม่จะกินเองแม่ปวดหัวเหรอเอทุกทีไม่เห็นเป็นอะไรหลวงพ่อมากลับปวดหัวลูกสาวบน่น ล่อนบอกนายสมชายให้ช่วยประเคนน้ำชาท่านพระครูแล้วจึงลงไปหายาในตู้ยาชั้นล่างครู่หนึ่งนายหิมก็ถือยาและแก้วน้ำขึ้นมาเขาเพิ่งกลับจากซื้อของที่กรุงเทพรู้จักลูกสาวว่าพันยาจะกินยาแก้ปวดศีรษะจึงตามมาดูด้วยความเป็นห่วงครั้นเห็นท่านพระครูจึงวางยาและแก้วน้ำลงแล้วกราบสามครั้ง ลงุงผอมานั่งแล้วเหลอคาบเข้าเอ่ยทักออกเสียงหลวงเพี้ยนเป็นหลงสักครู่เห็นจะได้กำลังพูดกับยมเนย อ, อยู่ว่าเจ๊เขหน้าตาไม่เหมือนคนป่วยเลยสักนิดท่านพูดกับลูกเขยเจโนนสีแม่ยายกับลูกเขยคู่นี้เกิดปีเดียวกันแต่คนเป็นแม่ยายอ่อนเดือนกว่า สามีของเจ้นวลสีซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อสองปีที่แล้วก็เกิดปีเดียวกับแม่ยายเจ๊เคยเล่าให้ท่านพระครูฟังอย่างนี้และท่านก็สรุปในใจว่าสงสัยจะเป็นกรรมพันธ์เห็นลูกมังว่าหรือจะกิ่งยากแก่ปวดหัวนายหิมถามพันยาพลางหยิบยาและแก้วน้ำส่งให้กระบวนรรักพันยา ไม่มีใครเกินเท่าแก่หิมใช่ฉ่านฟังแม่กับลุงพ่อคุยกันแล้วปวดหัวพิลึกพันยาวัยส0ิพอดิบพอดีบอกสามีวัย้59พลางรับยาและน้ำจากสามียานั้นบรรจุมาในขวดฝาเกลียวมีสำลีปิดที่ปากขวดกันชื้นนางเนยเปิดฝาขวดแล้วหยิบยาขึ้นมาสองเม็ดหากท่านประครูห้ามไว้ อย่ากินเลยโยมยานั้นจะกินก็ต่อเมื่อมันจำเป็นนี่อาตมายังไม่เห็นความจำเป็นที่โยมจะต้องกินเอาเถอะตั้งใจฟังต่อไปแล้วก็จะหายปวดหัวเชื่ออาตมาเถอะลงพ่อคุยอะไรกับแม่หรือครับถึงทำให้อาเนยเขาปวดหัวคนอายุแก่เดือนกว่า แม่ยายถามไม่มีอะไรมากหรอกเท่าแกอาตมาเพียงแต่ถามเจว่าจะไปวันไหนจะตรงกับที่อาตมาคิดไว้หรือเปล่าเท่านั้นแหละและตรงไหมครับตรงเพียงเลยแหละเท่าแกเจ๊เขาเก่งจริงๆนี่แหละ คนที่ปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังสามารถรู้วันตายของตัวเองได้เท่าแก่ว่าดีไหมละ่ะเท่าแก่เตรียมบอกลูกหลานให้ตัดชุดกงเตกได้แล้วอีกสามวันเจเข้าไปแน่และถามคนป่วยว่าถามจริงจริงเถอะเจพอรู้ว่าจะต้องตายเนี่ยกลัวบ้างไหม นึกเสียดายชีวิตบ้างไหมตอบจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่กลัวฉันไม่กลัวเลยจะหลงพ่อก่อนในเมื่อฉันเห็นกฎแห่งกรรมของตัวเองแล้วว่าจะต้องตายในวันนั้นฉันก็ทําใจได้ไม่รู้สึกกลัวหรือโศกเศร้าเสียดายชีวิตแต่อย่างใดคงเป็นเพราะฉันปฏิบัติกรรมฐานกระมังถึงได้ไม่กลัวตายถูกแล้วเจ๊ คนที่ปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังจนประสบผลสำเร็จสามารถเห็นกฎแห่งกรรมของตัวเองได้เขาจะไม่กลัวตายส่วนคนที่ปฏิบัติจิ้ ม, จ, มจิมจำจำไม่เอาจริงเอาจังก็ยังกลัวตายอยู่เพราะยังไม่เห็นกฎแห่งกรรมอาตมาขอชมเชยเจ๊ที่มีความเพียรจนกระทั่ง ประสบความสำเร็จรู้สึกว่าเจาสติดีมากสามารถคมทุกขเวทนาไว้ได้อาตมารู้ว่าเจาก็เจ็บก็ปวดเช่นเดียวกับคนป่วยทั่วไปแต่ผิดกันตรงที่เจาสามารถเอาสติค่มเวทนาไว้ได้อันนี้อาตมา ขอชมเชยจากใจจริงเจ้เป็นลูกศิษย์ที่อาตมาภาคภูมิใจมากที่สุดท่านชมเสยยืดยาวและเจ๊นวลสีก็ปราบปลื้มจนแทบจะหายป่วยเลยทีเดียวอ้าเนยป๋าก็รู้สึกปวดหัวและเหมือนกันเรามากินยาคนละสองเม็ดดีไหมนายหิมพูดกับลูกสาวคนเดียวของแม่ยาย เป็นเชิงปรึกษาฉันก็บอกตั้งแต่แรกแล้วนางเนยว่านี่เองสองคนอย่ามาพูดจา ก, กวนประสาทขานนะเจโนนสีผู้ซึ่งเป็นคนไทยเต็มตัวว่าลูกสาวที่เป็นคนไทยครึ่งตัวเพราะมีเตีย่ยเป็นคนจีนส่วนลูกเขยคนดีของเจ้นั้นเป็นกีงลอยปูสิง เจ๊อย่าพึ่งว่าโยมเนยกับเท่าแก่เขาเลยเอาไว้อจตามาจะเป็นคนว่าให้เองท่านพระครูอาสาแล้วพูดกับสองผัวเมียว่าที่อจตามาคุยกับเจ๊เขานี่ไม่ใช่เรื่องเลวไหลไรสาระนโยมแต่จะอธิบายด้วยคำพูดมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะ ประเดียวโยมสองคนก็จะพากันปวดหัวอีกเอาอย่างนี้ถ้าอยากรู้จริงๆก็ต้องไปเข้ากรรมฐานที่วัดอัตตมาสักเจ็ดวันแล้วก็จะเข้าใจเรื่องที่อัตตมาคุยกับเจ๊โดยไม่ต้องปวดหัวไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาจ้า สองพเมียตอบพร้อมกันเจนนวลสีจึงว่าหลวงพ่ออย่าไปชวนเขาให้ยากเลยฉันหนับลงเสียแล้วอย่าคมเขาโคคืนให้กลืนยาเลยจ้าหลวงพ่อคนป่วยว่าเป็นคำกรนเอาไว้หว่างๆแล้วผมขอไปนะครับหลวงพ่อนายหิมพยายามประนีประนอมอย่างน้อย ก็เห็นแก่ท่านพระครูถ้าเท่าแก่รอให้ว่างรับรองว่าไม่ได้ไปเพราะเท่าแก่จะหาเวลาว่างไม่ได้เลยในชีวิตนี้แล้วท่านจึงเล่าเรื่องของนายสนทยาให้ในายหิมและนางเนยฟังเท่าแกวัยห้าสิเเชื่อแต่ก็ผัดว่าถ้าอย่างนั้น ผมรอให้เสร็จงานแม่เขาก่อนอฮ้ยไม่ต้องเอาข่ามาบังหน้ารอกจะไปก็ไปเลยเรื่องศพข้าก็ไม่ต้องห่วงข้าบอกนางเนยมันไปแล้วขอเผาที่วัดหลวงพ่อแล้วกันนะจ๊ะทั้งเผาทั้งสวดเลยเพราะไม่ไกลจากบ้านเท่าไรฉันจะสั่งลูกหลานให้เรียบร้อยเจนน์นนสีวาดลูกเขยแล้วก็หันมาพูดกับท่านพระครู จะสวดสักกี่คืนละเจ๊สามคืนก็พอตายวันสิบคำเผาสิบสามคำหลวงพ่อมาก็ดีแล้วฉันขอจองวัดจองเมนเลยคนจะตายสั่งการนางเนยเอามือกลุ่มขมับไม่เคยพบไม่เคยเห็นมีอย่างที่ไหนรู้วันตายของตัวเองแถมสั่งงานเรื่องทำศพไว้เสร็จสับท่านพระครูก็ช่างกระไรเข้ากันได้ เป็นปีเป็นกลุยคนเข้าวัดนี่มีอะไรเพียเพ้ยนๆแบบนี้ทุกคนหรือเปล่านะท่านพระครูหยิบสมุดบันทึกออกมาจากย่ามเปิดหน้าที่ตรงกับวันที่17กุมภาพันธ์ 2,517 บันทึกว่าเจ๊นวลสีตายเมื่อเวลาสี่นาฬิกาสนาทีสวดพระอภิธรรมที่วัดป่ามะม่วงวันที่17 18 19เวลา19นาฬิกา และเปิดไปหน้าที่ตรงกับวันที่20กุมภาพันธ์2517บันทึกว่าเวลา17นาฬิกาชาปนากิจศพเจ๊นวลสีเอาละเสร็จธุระแล้วอาตมาเห็นจะต้องลาขอให้ไปสบายๆนะัดเจ๊เรื่องศพไม่ต้องห่วงอาตมาจะจัดการให้เรียบร้อย ในอดีตการที่ผ่านมาถ้าอาตมาทําอะไรพูดอะไรแล้วทําให้เจ๊ไม่พอใจอาตมาก็ต้องขออโหสิกรรมจากเจ๊ด้วยเช่นเดียวกันจะหลวงพ่อถ้าฉันล่วงเกินอะไรหลวงพ่อเอาไว้ด้วยกายวาจาใจก็ดีฉันขออโหสิกรรมจากหลวงพ่อด้วยเอาล่ะ อาตมาอาโหสิให้แล้วก็ถือโอกาสอำลาเลยท่านหันมาพูดกับนายหิมว่าเท่าแกะจะไปกับอาตมาวันนี้เลยไม่เล่ายังรอครับลุงพ่อเอาไว้ให้อะไรๆมันเข้าทีสักก่อนขอบคุณลุงพ่อมากครับที่ชวนเข้าตอบและลุกขึ้นเตรียมมาส่งท่านนายสมชาย ลุกตามท่านพระครูและนายหิมลงไปก่อนขึ้นรถท่านยังหันมาพูดกับเขาว่าอย่าลืมมาเข้ากรรมฐ า, านนะเท่าแกอยากให้รีบรีบหน่อยอาตมาสังเกตดูรู้สึกว่าน้ำมันใกล้จะหมดแล้วท่านเตือนเป็นในๆนน้ำมันอะไรครับหลวงพ่อ่านน้ำมันรถ มีปั๊มตรงทางแยกจะออกไปถนนสายเอเชียนะครับนายหิมคิดว่าท่านหมายถึงน้ำมันรถยนต์เขาควักกระเป๋ากางเกงหยิบธนบัตรใบละร้อยส่งให้ในายสมชายพูดว่าเอา้าสมชายช่วยเติมน้ำมันให้ลงพ่อด้วยไม่ต้องรอกครับเท่าแก่ผมเติมมาเต็มแล้วลูกศิษย์วัดบอกก่อนลงพ่อบอกว่าน้ามันใกล้จะหมด อาตมาไม่ได้หมายถึงน้ำมันรถแต่หมายถึงน้ำมันของเท่าแกนะใกล้จะหมดแล้วนะต้องรีบเติมซะคืออาตมาเปรียบเทียบให้เท่าแกฟังว่าบุญกุศลที่เราทำมานั้นเปรียบเสมือนน้ำมันรถถ้ามีมากรถก็วิ่งได้นานถ้าหมด รถกอดจอดเหมือนคนเราถ้าบุญหมดเมื่อไหร่ก็ต้องตายเมื่อนั้นอาตามาจึงเตือนเท่าแก่ไว้ว่าบุญกุศลที่เท่าแก่ทำมานั้นใกล้จะหมดแล้วต้องรีบสร้างเพิ่มจึงได้ชวนไปเข้ากรรมฐานยังไงละ่ะพอเข้าใจที่ท่านพูดนายหิมถึงกับใจหายวา่ารู้สึก จิตตกทันทีเขาบอกท่านเสียงค่อนข้างสันว่าครับลุงพ่อผมเองก็รู้สึกสังหรณ์ใจไงพิกลอยากจะไปอยู่วัดอย่างที่ลุงพ่อบอกแต่ก็ห่วงอเนยเขาลูกห้าคนก็เป็นผู้หญิงหมดผมเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านคนมีห่วงผูกคอพูดน่าสงสารท่านพระครูรู้แน่ว่าถึงอย่างไรเขาก็ไม่ยอมไปเพราะกรรมนั้นหนักหน่วงนัก จึงช่วยเท่าที่พอจะช่วยได้เมื่อเขามีอันต้องไปก็อยากให้เขาไปดีจึงแนแนวการปฏิบัติว่าเมื่อไม่มีเวลาจริงๆอาตมาก็ไม่ว่าอะไรขอให้มันสวดมนต์แผ่เมตตาอโหสิ ก, กรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวร น, นะเท่าแก่นะทำได้ไหมเหล่าแผ่นปลิว บทสวดมนต์ที่อาตมาเคยให้เจ๊เข้ามานั่นแหละไปขอยืมเข้ามาสวดให้ได้ทุกคืนต้องทําให้ได้นะครับถ้าไม่ต้องไปอยู่วัดแล้วก็ผมทําได้สวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ได้เขารับคําหนักแน่นจากนั้นท่านพระครูจึงลาเจ้าของบ้านกลับวัดนายสมชายนํารถตู้สีครีม มาจอดที่หลังกุฏิเมื่อเวลาทุ่มเศษเปิดประตูให้ท่านพระครูลงเรียบร้อยแล้วจึงถอยเข้าไปเก็บในโรงรถนายขุนทองเดินออกมารับหน้าพร้อมรายงานเสิงจ่อยๆลุงๆหอวันนี้หนูถูกพวกแขกกุ่มด่าใหญ่เลยหอพูดพร้อมกับรับย่ามมาถือในลักษณะอุ้มเดินตามท่านไปยังกุฏิเอ่งไปทาอร่อให้เขาด่าละ ท่านย้อนถามก็หนูบอกว่าวันนี้หลวงลุงงดรับแขกเพราะท่านเดินทางไปงานเผาศพที่อ่างทองตั้งแต่บ่ายโมงเขาก็พากันพูดไม่ดีหาว่าหลวงลุงเป็นพระเป็นเจ้าไม่รู้จักอยู่วัดหนูก็ถิงแทนว่าที่หลวงลุงอยู่ทำไมเขาไม่มาคนสมัยนี้เห็นแก่ตัวจังเลยนะฮะพอไม่ได้ดังใจก็พากันว่าแม้กระทั่งพระกระทั่งเจ้า เขาหาว่าอุตสาหขับรถเสียน้ำมูกน้ำมันมาท่านก็ไม่อยู่ให้พบโอ้ยสรพัสสรเพกจะว่าหนูเห็นแล้วปลงอ น, นิจจงขนาดปลงก็ยังอุตสาไปทะเลาะกับเขาเองนี่มันใช้ไม่ได้เลยนะเจ้าขุนทองท่านตำหนิหลานชายกูเขาอยากมาว่าลุ ง, ลงทำไมละ่ะ ก็ในเมื่อขาว่าข่าแล้วเองมาเดือดร้อนอะไรด้วยละ่ะข้าเองยังไม่เดือดร้อนเลยทำไมเองถึงต้องเดือดร้อนเหรเจ้าคุณทองหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทำไมหลวงลุงถึงไม่รู้สึกเจ็บแค้นซัก บ, บ้างปล่อยให้ข่าวว่าอยู่ได้หลานชายกระเงากระงอดนี่นะเจ้าคุณทอง ขอดจะเปรียบเทียบให้เองฟังสักอย่างหนึง่งสมมุติว่าเองไปบ้านคนอื่นเขาพอขึ้นเรือนปุ๊บเขาก็ยกสำรับกับข้าวมาเลี้ยงเองบังเอิญเองเพิ่งอิ่มมาจากบ้านเองก็เลยไม่กินพอเองกลับอยากถามหน่อยว่าสำรับกับข้าวนั้นจะตกเป็นของใคร ก็ตกเป็นของเจ้าของบ้านสิหลวงลุงไม่น่าถามนั่นแหละมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้ามีคนเข้ามาด่าเองแล้วเองไม่รับคำด่าเหล่านั้นมันก็ตกอยู่กับคนที่ด่าจริงไหมจำไว้นะทีนี้อย่าไปรับคำด่าของใครแล้วก็ไม่ต้องเอามาบอกค่ะ ข้าไม่อยากฟังมาเหนื่อยเนื่อยอย่าหาเรื่องกวนใจมาให้จําไว้คราวนี้ในขุนทองไม่เถียงเมื่อขึ้นมาถึงกุฏิชั้นบนก็เอาย่ามวางไว้ข้างที่นอนของท่านแล้วจึงลงมาข้างล่างเข้าห้องใส่กรอนและล้มตัวลงนอนพอหัวถึงหมอนก็หลับปุ๋ยโดยไม่ยอมสวดมนต์ไหว้พระเสก่อน ก็วันนี้เ้าเหนื่อยกว่าทุกวันออกแรงทะเลาะกับแขกหนักหน่วงไปหน่อยท่านพระครูส่งน้ำเสร็จก็เตรียมจะเขียนหนังสือต่อยังไม่ทันลงมือเขียนนายสมชายก็มารายงานว่าหลวงพ่อครับคุณนายราศีมาขอพบครับนั่งรออยู่ข้างล่างผมบอกจะพาไปหาที่พักและพรุ่งนี้ค่อยมาหาหลวงพ่อแกก็ไม่ยอมบอกว่ามีเรื่องดนมาก เรื่องอะไรเขาบอกเธอหรือเปล่าเขาว่าเขาจะมาลาตายครับสงสัยคงเพี้ยนหนักลูกศิษย์วัดตอบพร้อมประเมินผลเสร็จท่านพระครูรู้ได้ในทันทีว่านั่นไม่ใช่ร่างที่แท้จริงของคุณนายราสีที่นายสมชายเห็นนั้นคือเจตพูดจึงตอบไปว่าเอาละ่ะงั้นฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละ แล้วท่านก็ลงมาข้างล่างนายสมชายเดินตามมาติดๆคุณนายราสีเห็นท่านพระครูก็ร้องห่มร้องไห้เจตพูดร้องไห้ก็เป็นด้วยท่านพระครูคิดในใจแล้วพูดเสียงเบาเพื่อไม่ให้ลูกศิษย์วัดได้ยินว่าเจริญพรคุณนายมีธุระด่วนใช่ไหมถึงได้มามืดๆคำคำ ค่ะหลวงพ่อหนูจะมากราบขอขมาแล้วก็จะลาหลวงพ่อด้วยค่ะเจตพูดรายงานเสียงเบาเช่นกันขอขมาเรื่องอะไรแล้วกดจะลาไปไหนหรือหนูมากราบขอขมาลาโทษที่ได้แสดงกริยาที่ไม่งดงามที่กุฏิหลวงพ่อเมื่อวันขึ้นปีใหม่ แล้วก็มาลาไปปรโลกค่ะพรุ่งนี้เวลาสองทุ่งหนูจะถูกยิงตายใครยิงเมียน้อยของนายประวิทย์คนที่เคยมาเข้ากรมมฐานกับหนูนะคะหลวงพ่อเขาจ้างมือปืนมายิงเขาจะยิงทำไมละ่ะคนเคยเข้ากรมมฐานมาแล้วทำไม ยังมีจิตใจโหดร้ายถึงป่านนั้นแล้วทำไมคุณนายไม่แจ้งความไว้เสียละ่ะถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติธรรมของคุณนายราศีไม่รอกคะ่ะลุงพ่อมันเป็นกฎ <ด S 2> แห่งกรรมเมื่อชาติที่แล้วหนูฆ่าเขาไว้นี่ถ้าหนูไม่มาเข้ากรรมฐา น, นก็คงไม่รู้ แล้วก็คงจะต้องจองเวรจองกรรมกันต่อไปเขาอยากจะเป็นคุณหญิงค่ะหลวงพ่อเมื่อหนูตายเขาคงคิดว่าจะได้ขึ้นเป็นคุณหญิงไม่ได้เป็นหรอกคนจิตใจโหดร้ายอย่างนั้นไม่มีโอกาสได้เป็นคุณหญิงแน่ไม่น่าเลยแสดงว่า ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เข้าไปชำระล้างจิตใจเขาเลยมาปฏิบัติเสียเวลาเปล่าก็เขาไม่ได้ตั้งใจมาปฏิบัตินี่ค่ะหลวงพ่อตั้งใจมาหาผัวตังหะพวกสาวแก่เข้าวัดว ก, ก็ไม่มีอะไรหรอ ก, <ว>กมาเพื่อหาผัวเจตพูด พูดอย่างดูแคลนท่านพระครูจึงห้ามว่าช่างเขาเถอะคุณนายอย่าไปว่าเมารวมอย่างนั้นคนที่เขาไม่ได้คิดอกุศลอย่างที่ว่าก็มีเอาเถอะที่ขออโหสิอาตมาก็จะอโหสิให้ส่วนเรื่องมาลาก็ขออวยพรให้ไปดีแล้วอาตมา จะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับถ้าอย่างนั้นหนูขอกราบลาค่ะขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาให้หนูรู้ดีรู้ชั่วทำให้หนูสามารถตัดพบตัดชาติให้สั้นเข้าหนูลาละค่ะ คุณนายราศีลุกออกไปแล้วนายสมชายตั้งท่าจะไปส่งหากท่านพระครูห้ามไว้และบอกเขาว่านั่นเป็นเจตพูดลูกศิษย์วัดจึงปิดประตูกุฏิเพื่อเตรียมเข้านอนท่านพระครูเดินขึ้นข้างบนตั้งใจว่าจะจดบันทึกเรื่องนี้ไว้เป็นหลักฐาน